ยังไม่เคยได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วผู้ที่ฟังนั่นแหละต้องพิจารณาให้ควรด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าชีวิตนี้มีอยู่เพื่ออะไรและธรรมนั้นมีเพื่อไว้ใช้ประโยชน์อะไร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 แม้ตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนก็พูดแต่เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องจิตใจของคนทุกคนเหมือนกันและก็ต้องปฏิบัติได้เหมือนกันผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ผู้ชายก็ปฏิบัติได้พระสงฆ์องค์เนก็ปฏิบัติได้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 ให้เคลื่อนไหวเทคนิคของมันนั่งพะเศบก็ได้นั่งเยียดขาก็ได้ขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ห้อยเท้าอยู่ก็ได้เอามือวางไว้บนขาคู่าไว้ค่อยๆพลิกมือขึ้นเคลื่อ น, ข, นขึ้นมาให้รู้สึกตัวในขณะมันเคลื่อนมันให้ รู้สึกตัวเรียกว่าตั้งใจหรือว่าตั้งสติว่าอย่างนี้ก็ได้ตักแหงนันไว้ตรงๆไม่ให้มันเอ็นมันเอียงยกขึ้นครึ่งตัวยกขึ้นตรงๆครๆึ่งตัวแล้วก็หยุดไว้มันหยุดก็ให้รู้สึกว่ามันหยุดมันนิ่งมันไม่เคลื่อนไม่ไหวกว็ให้รู้สึก เรียกว่าให้มันสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งนั้นนั้นบัด น, นี้เอาคอยคอยเคืนเลือนลงมาที่สะดือเมื่อมือมาถึงที่สะดือแนบแน่นอยู่กับที่สะดือแล้วให้มีความรู้สึกสัมผัสหรือผัสสะกับสิ่งนั้นๆันนอยู่บัด น, นี้พลิกมือซ้ายขึ้น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 เมื่อปฏิบัติไปให้รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวขึ้นนั้นเป็นรูปสิ่งที่รู้การเคลื่อนไหวขึ้นไปนั้นเป็นน้ำรูปกับนามจึงมันติดกันแยกออกจากกันไม่ได้เมื่อแยกออกจากกันได้เมื่อใดเมื่อนั้นก็หมดลมหายใจหมดชีวิตหมดจิตหมดใจเรียกว่าตายกันนะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมะไม่ได้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 คำว่าเป็นสากล น, นี่ทุกคนปฏิบัติได้และปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ปฏิบัติได้เป็นญาติเป็นโยมก็ปฏิบัติได้เป็นคนชาติใดภาษาใดถือศาสนาไหนก็ได้ถือละทิอันใดก็ได้ไม่ผิดกันเลยเพราะว่ามันมีกายกับใจ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 อันนั้นเรียกว่าไม่ติดต่อไม่สัมพันธ์มันไม่โยงกันตั้งแต่ต้นจนปลายบันทีปฏิบัติให้ติดต่อให้มันสัมพันธ์โยงกันตั้งแต่ต้นจนถึงปลายนั่นก็หมายถึงเราเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้พิภตาก็รู้เลือด้ายแล้วหัวก็รู้ตาเรา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 ธรรมที่มีก็จากหนีจากนายหายศูญธรรมที่มีนั่นคือตัวรู้นั่นเองคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานั่นเองถ้าหากเราไม่รู้ก็เรียกว่าธรรมที่มีก็จากหนีจากนายหายศูญอธรรมโควมระยำสมบูรณ์มันก็ปี้นปอกหลอกเราปี้นปอกหลอกตนอธรรมก็คือเราไม่รู้ ไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองมันก็ปีนปอกหลอกเราจึงเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ที่นอกตัวเราไปเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติกับธรรมซาธรรมซาของคนนี่มันมีขามีแขนมีมือมีเท้ามีตามีหูมีจมูกมีเลนกินข้าวกินน้ำ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 มักจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับพกุกเนี่เมื่อเรามักเราต้องดูลงไปที่ตรงนี้และก็ปฏิบัติไปที่ตรงนี้พ้นมันออกมาเรียกว่านี่โลดพ้นไปจากทุกพ้นไปจากการปรุงแต่พ้นไปจากการยึดถือพ้นไปจากการมีโทสะโมหะโลภะพ้นไปจากการยึดมั่นถือมั่น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 ทราบซึ้งในธรรมะที่โตรู้โตเห็นโตได้โตเป็นโตมีนั้นแล้วพระองค์ก็นำไปเทศไปสอนเมื่อพระองค์ได้เทศได้สอนได้ลูกศิษย์จำนวนห้าคนหรือหลายคนก็ไม่ทราบและเพราะว่าได้ยินแต่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่า พวกปัญจาวัคคีทั้งหนี่ได้รู้ตา ม, ตามเห็นต า, ตามเข้าใจตามพระองค์แล้วเป็นอย่างพระองค์มีอย่างพระองค์แล้วสัมผัสแน่แน่นอยู่เหมือนอย่างพระองค์รู้นั้นแล้วก็นําไปเทศไปสอนพระองค์จึงแนะนำบอกว่าอย่าไปนํากันสองคนเพราะว่าให้ไปคนเดียวเมื่อไปพร้อมกันสองคนแล้วมันน้อยคนมันต้องไปได้หลายทาง ถ้าไปคนละทางละทางกันมันได้หลายทางถ้าไปพร้อมกันมาได้ทางเดียวสองคนไปด้วยกันถ้าหกคนก็ได้สามทางเท่านั้นเองบัดนี้ไปคนละทางละทางกันก่อนได้หกทางเรื่อหกเส้นทางอย่างนี้ไปได้หกคนและหกคนนั่นแหละก็พูดก็สอนเรื่องที่ให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามแล้วแต่เทคนิค คนไกลของครูบาอาจารย์นั้นจะสอนให้เขาทำวิธีไดแล้วก็ทำไปตามอุดมการณ์ของตัวเองที่ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจนั้นพระองค์สอนอย่างนั้นแต่ความพ้นภกนั้นเหมือนกันแม่พระองค์ก็เคยตัดเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคต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 เขาใจสัมผัสแนบแน่นได้แล้วจะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยก็แสดงว่าหมดทุกข์ถ้าเรายังมีความสงสัยแสดงว่าเรามีทุกข์ความทุกข์นั่นจริงแยกออกมาหลายอย่างหลายประการดังนั้นเราทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาก็ดีผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ดีปฏิบัติ รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เหมือนกันแต่คนที่มีปัญญานั้นพิจารณาแล้วลดมานะลดทิฏฐิลดความเห็นแก่ตัวเนี่ยว่าามโกรธมโลภผมหลงนี่ให้มนุษย์น้อยไปคนที่ไม่มีปัญญาบบนีต้องปรับพฤติปฏิบัติให้มียานเกิดขึ้น เมื่อมีญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็รอบรู้ ม, มันจืดจางไปเองคูนี่จืดจางไปเองอันนี้เรี่ยว่ารู้เห็นเข้าใจเพราะญาณปัญญาการปฏิบัติธรรมส่วนพิจารณานั้นเรี่ยว่าปัญญาพิจารณาด้วยการเห็นแจ้งอันนี้มันผิดกันอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็มี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 แล้วแต่จะเรียกจะขานกันมันเป็นสมมุติพูดขึ้นมาดังนั้นท่านว่าวทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอหรือพวกเราทั้งหลายให้พวกเธอพวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติย่างเราตถาคตนี้เมื่อประพฤติปฏิบัติ ย่างเราตถาคตนี่แล้วก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่รู้เห็นอะไรรู้เห็นตัวเราเป็นยังไงเป็นอย่างที่เราเป็นเยวรู้เห็นเป็นมีอย่างที่ตัวเรามีมีคือความไม่มีทุกข์มีคือความไม่มีทุกข์เหมือนกันอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ว่าให้เราจเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญแปลว่าทําให้มากจเจริญแปลว่าทําให้มากทํามากมันก็จเจริญขึ้นมีขึ้นมากขึ้นความรู้สึกมีมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้เมันกนลน็ลดน้อยไปลดน้อยไปดังนั้นเมื่อเห็นรู้เข้าใจการเคลื่อนการไหวนี้มากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้ไม่เห็นมันก็นลดน้อยไป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 ดังนั้นพวกเราทุกๆคนเกิดมาแล้วในโลกนี้คนโบราณท่านสอนเอาไว้ว่าสวรรค์ก็ตามนิพพานก็ตามเป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติของมนุษย์ท่านจึงสอนว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุ ษ, นนนษยเษ์เป็นสมบัติของคน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 โมหะโลภะเกิดขึ้นได้ภายในใจิตใจเพราะโทสะโมหะโลภะเป็นของเนา่าเป็นของเหม็นเป็นของสปกปรกเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเรียกว่ามักมักจะเป็นข้อปฏิบัติไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นการปฏิบัติง่ายๆไม่ต้องไปอ้างอิงศึกษาเอากับตำรับตําลาก็ได้ ปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแล้วความยึดมั่นถือมั่นเป็นตนเป็นโตมันเป็นทุกข์เราก็เลิกจยากเป็นเหล่านั้นเราก็ไม่ต้องเข้าไปยึดไปถือมาดูที่จิตที่ใจของเราอยู่เสมอนี่เป็นการปฏิบัติง่ายคนเราเมื่อตายไปแล้วร่างกายนี่มันไม่รู้อะไรเลย เอาไปขุดดินลงแล้วเอาไปฝังลงดินแล้วเอาดินกบหน้าผมหน้ามันก็ไม่ร้องว่าหายใจฟืดเดอ้อนอนยากเดอ้อมันก็ไม่พูดได้เอาไปขึ้นกองไฟเอาไปโยนใส่กองไฟไฟไหม้มันก็ว่าร้อนเก็บมันก็ไม่พูดได้ไม่คุยได้เพราะมันไม่มีควมรู้สึกมันไม่เจ็บมันไม่ปวดมันไม่มีชีวิตมันไม่มีจิตมีใจ ดังนั้นกายใจได้จริงแยกกันได้แต่เมื่ อ, อยังมีลมหายใจแยกกันไม่ได้แต่ปฏิบัติได้เห็นได้เข้าใจได้เมื่อมดลมหายใจแล้วก็แยกกันได้ทีเดียวจะว่าแยกกันได้ก็ได้หรือจะว่าแยกกันไม่ได้ก็เลยเพราะเรามองไม่เห็นจับไม่ถูกเราต้องศึกษาปฏิบัติให้มันเห็นให้มันรู้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 ดุดมีลานไขในต้นเราท่านควรบังคับก้นให้จิตหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะปล่อยให้มันหมุนไปในทางข้างกี้ทำที่มีพ่อจากหนีจากนายหายศูนย์ทำเข้าครอบงำความระยสำสมบูรณ์ก็ปีนปอกหลอกต้นมันหลอกตัวเราดังนั้นที่อาตมาฤกษ์หลวงพ่อ